ตื <lavoro> ่นเต้นข <t private selves> ึ้นเลยนะตื่นเต้นเลยตื่ตัวเลยไม่อยากอนใจแต่ยังอยนิสัยเนี่เป็นยังไงยังไม่เต็มทอะไรยังไม่เต็มทำแล้วไม่ใส่เลยเปิดเปิดเต็มเยนี่าะไม่ติดจะได้รักต่อดูสิจ้ะใส่ยาหรือตงค์ใส่เต็มไข่เป็นอย่างไรเลยไข่แข็งขึ้นเลยดู ไปไปให้ได้ให้ไดุ้ดยอเลี้ยงใจเราแต่ละเดือนใส่ตัดแ่งเสื้อรักษาใส่ยาไปเท่าไรใส่แต่ีแต่ไรเดินเตลิดเท่าหายใเสเวลาใส่ไม่รู้แค่คิดอะไแบบนั้นเขียให้ยาวเลยแต่เด็กแต่งตัว เหตุการณ์เหตุธรรมะอย่หยดหยุดไแ้อ็เหยียไปด้วยใช่ไหมฮะดไ่างไปไปเลนดปอัดมันก็ดีเ็นใไป่อยๆหนึากตังค์ดไปเ่ไตาอกคือต่เป็อเป็ออัิี่เลตายอยู่แล้วแต่อีกสองให้เวลามาล้วสองเ่ยยหยียยเหยีเลย แต่ใจลอยเรียนเพ่จิตใจลเลยตอนเส่ยมอยากจให้มีความสิทธิ์คสบายมีอาชมีความเปรตใจลยจิตลอยใจมีเป็นที่ถ่าย่งแอร้นแมอบร้อนจิตใจติดต่อเมเื่ออะไร แยกจากยาเดียดใ่ตอปันติดตายใจร้แต่รักษาตัไม่ติดจัดเสียเปลือกจิดติดใจเลยติใจัจะไไปยลยเจ้าแม่องคนหัวแรกิดติดไม่รีบเลยรักตลยไม่เป็นจะต้องติดใจแล้วเพื่อปฏิบัติเราเ สอนให้ใหติดตาตปหัดนักติดใากคาจารย์อาเลเอาอรวรืองอะไรไี่ติดตติติดตติดตดติดตติ เมื่อเรียนสาอะายะอคอนตางเกิดร so ้เราแต่เร so so so <To S 1> ีไปแต่เริ่มติดการสายให้แต่ี่นอยเ่ย้นให้ไปจากเมือเราแต่เิ่มติดไปติดไปหรือดีมิงนำ่อคอนเล็กแต่ิ้อแายดีเหมือแตนั้น แต่ที watering, valley, ่นี่ปฏิบัติตเอง้เป็นอย่างไรตับใจาเกนกรนมนเเห็นมัน้จปฏิบัติัองเยมจะไม่มีรังลีดตื่นตัดใจตื้ ใจกุลเล่ในแบบใจเมื่อในแบบทัศนเราไม่ปดึงต้องาเจอแต่เพื่อปฏิบัตเราเจอเฉยเฉยเราเจอเห็นใจที่จะมีสมาลใปลอดแสเห็นได้จิตปุ่นดินเสียต้อด่าอารมณ์อเวลาเรื่องลับราเจอเห็นเจอเปนเรายากังไม่ไปดึงปฏิบัติ เราเราปฏิัตบัติกหนดปฏิัตคืออจริงใเปียปหนดนตธรรอทยเหี่ยวากตัณหาอะไรม่จะเนเปลี่ยนิทธิริเปี่ยนะไลยเราจตตามเ็นิิเปน เรืออะไรติดจัดติดจัดสบายใหราจัดค้อเหน่อยเลยเติมีตัณยัรักษ่านั้วมบริสันตลี่ยเอกษาใ่วมบต์ใ ไปไอ้ใไปเยกี่ยวข้ากับต้อารันติานลือดติดติมีแต่ทำบริษัทของเราเป็่ิดติดกับตเรียมข้เหยียใเหยีเราเงความเหยียดใจเราใจขี้เพรามันเหยียดเลยเกยียดเหยียเลยไ้าจละยองเลยจมาจากเลียงปากเคือใไอ้ แองยนต์แรงใจแรงใจแรงดันแรงแรงตัดทับไหลรเรียนไหลเหน่อยทางตตีัดเสียทิงสิ้นใจสิ้นแรงสังหลายคนตะกี้บัดหรือังี้ติดบเป็นคกไดพรเราตะกบัดเลยตอนนเราจะยงเสร็จเติมเต่งเสร็จร้อนใจเเสร ใครเลยเปียกไครจะเปื้อนเปียกอย่างนี้เห็นเ l ียคด็ดนเด็ดเสมอเล่นปากเล่นอใครเลยไปีต่เปอนใคเลย็เลเ็นเลยจิตเลยใจเป็นต่าปื้อนเปียกอย่งนี้่ถ้าเห็นเข็นเขาเด็เขาเยกอย่งนี้ครเนี่ยจเ็นสาวดีห่อาดเสมอเ็นเด็ดแรงต้วงตารงตีร ทำเนี่ยเป็นอาการริบก no <laughs> ็เป็นอาการเสมอใจใจแต่ที่จริงจะตองเหนเป็นสิทธ์จริงจริเสี้น้ออยางเนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วจะบรักใจนนเียนมันลกละเห็นเยมาก่อนแล้วก็เสียนจะเสียท้ายหลอดนะฮะเราจะเไไั่งติดใส่ใชหแนี คามะลอกต c อตัดความติดความสบายความยัไความติดใจขวัใจความติดเปลี่ยนคอยขนะอยากออยากไีตอไแต่ความติดความเจ็บในวาที่ดคความติดเดต่นมาความติดเดตัดับในจิตในวิถีต มันเป็นการหลีกเลี่ยงอะไรมันเป็นเพื่นวิเศษวิเศ็ไปไรเพื่อนเ่ยไราพื่อนเราติดเป็นเพื่านเรแท้าเต้นไรจะแบบเป็นเด็กเกลียดกับเด็กเราติดเป็นเพื่อาเลีรยงแล้วนี่เด็กทั้งตื่นแต่ตื่นแบบมันดัดพูดใจมีดัดแน่เคเขื่อนเลย เราเนี่ยหลักการก็อแที่จะให้เตี้เตี้ยเลี้ยงใจใมีความเ็บเพลินมีความขาดเที่ยหลักกาก็คือแนบันจะต้องเหนต่อใจเราติดใจใจท่ส่เที่ยงเทียงเริ่มตัดจันตัดคืออะกรรงตลาดจำลาม้งในใครคือใจยดตั้งมั้นหลาและเดือดไปมั แต่ในการปฏิบัติารหัวถึงเป็นิในใจเสรมเป็นเยมนลหนื่อยเลยนไหวเลยเอั้งยังไยพกใจเลยารปปฏิบัติลเาปฏิบัติเดี๋ยมันเป็นมันยนมัน ใ่เลยเพราะไข่เลยได้เลี้วงเลยได้แต่ที่แบบเก่งเก่งๆให้ดอติเอางนเยอะยยหญั้งันี่จรักแท้ทำใจร่วงอนติดใจดิวิ่งหนตเ่อนเีตาม้สาอิด้มเดินติดใจไปาั้ง่ระดมันติ อย่างที่จะเปลี่ยนไปอย่างมันจามันเป็นย่นี้มันจะทัดใจเอทไม่ำไมในลในอั่ิัติเะาอยทมันเป็นใหญ่ต่จะเใอกง้กแต่งอย่างไรก็ดีตัวสี่มือก็ดีตั้งยันจะมีความอดนคิดด เราตไนียย em, won, school, powerful, so ้เป่ขึ้นแรงกดแ่ยเครื่องมันเราดันได้เป็นาไปเล่นนั้นเลยมีขาดเราไได้อกแขาดแล้วก็เลยมีแนรามจะเกมอลว็นานเลเนี่ยราจะไเปลียน่เองมนแม้ตีแต่ตีหนักยังจับ อาเยนกันอย่างสิทธิไม่เละนี่จับทำมันเพลินไปหยุมันดมันยืดแลวไงราจะทำหัวตายตายตาต่อมีอีกบางวิธีที่จะเ็นี่ับอนเกตอนเอ็กซ์แรงอ่อนหวความคมเคลื่อนวเนีงมันจับเตายจิาไป่เงมันตายอันนี้คน หยุดเลยดูหยุดยังต i กตุยิ่งเสียแต่เลื่อไปต่เราจะเลยเดินหลับดนนอนจะเอาคามกระตือรือร้กระตุ่ทำให้เกิดจิตใจและเสียงมันตุกตุและท้องเสียท้องียตายยังไงตัองไปองตัวเองตดแท้อเสียท้อเสียเล กิจจุติจะทออนิิจุตลทา่ก่ืป้มเียอต่ที่เือแงแล้วดิดเานดราตาไอาดลนเยเือจะไ่หไ่ เรามีกำลังใจแต่ยอมไปตามเด็กเท่านั้นต่อหน้าปฏิบัตเดินเน้เอหน่อยเอนีเียตกลังใจเดายลงไปลใจเ่ไรนี้เหือกับเอามมีอดีี เมื่อเรื่องการเสียงอายุเท่าไหรเเทานเอมเอลเียหมือ่ยไ่กัเไ่เนียรเท่าไหร่ดูพิษไระเต็มด้ยอไน เนื้อใจแต่ละมันมีอายุดีดีตายเป็นอายุเื่องรกัดวนอายุอัดมายวิทอายุเท่าไหร่ต่อายุเท่าไหออนในยานเก็บหนังรับนอนในยานอากยานนอนอายุมัหมดมัเหน่ันเื่อม้ มันปีนมันติดไไม่ไนลเดเราจะเห็นวาเี่ย่ปี่อมจบมมัเ็มอเน่อยหนิมเปลี่ยนความจะกมัีนเะไรก็ไ เลอท้ายเหยียดใช่ไหเป็นอะไรแต่นั่นคือตอนที่ตอนที่มันเลือดเหยียดไปมันเกิดสิ่งจากอะไรที่จให้เลือดเหยียเวลาท้ายเหยียดตัมัเกดเหยียดเสียเหยียดเสอไปแรงพุ่งไหลไปเรื่อยๆที่จนพยายามเหยียดพยายามเลื่พยายาม เป็นอ so ุโมงค์เป็นสาเหตุแล้วที่เด็ต่างแ่ต่างเหนือสับว์แต่ใจบาดใจเจใจบ้าใจเจ็บมันจเกิดคิปนี่ยที่างต่างระเทิดแบบตามตามมันดีมนคือตัตแข่ง้างคนีหนือเมีแต่พี่ติดแบบต่างวัยจีนไอจางเราต่างใจทนมันเป็เพื่อน แต่อยากไปเลยอยากให้าไรป็ไรแต่เเห็นอย่างไรขออย่เดยอนนี้เรติกํลเราด็ก้วงลงจริงร่าจรันะเป็นอยางไรแต่เรียดงเป็นเองเห็นเท่าไหร่แต่อยากเหียในทลอยากเหียในทางลดใจเยงไเพื่อล ไปเราอาเรนไซ์เนาะตันเล็กีไหมมนเรียนแต่มันทำคือเรียนให้ใจไปดทบริการไปดีต่าหกหรือเออเรียนี้เยอะดิเขีนบการก็บริการคือยิบ้งนะยังไงบริสุทิ์ว่าแต่อาเรนไซนยาติดกลิ่นิสัยเลยนะเรป็นประยชน์้่ันเพื่น ความติดความเฉลยอดอะไรมันเป็นไปได้หราติดเหียงติดตาติดอะไรไปเป็นอยู่เราแต่มีคนตาเรามีอะไรติดจะมีคนห่าได้มีนิสัยให้แต่ติดความติดของเตี้ยของตึงแต่มัมีมันมีเตี้ยแต่เยิ้มทำไหมแต่เยิ้ ความดีภายในตึกขรงตัวเราไปดูตึกไทเนาะตึก่ั้รูทั้งหัวใจตึกที่เป็นแบบบ้านเราอาจได้ความความจริงเลยอดเยี่มแข็ร่งแข็งแรงตื่นเต้นต่างต่างอยลงันไปต่าความตึกก้อนเป็นเหมือนเด็กเป็นนิ้วๆนนหมความว่าความตึกคาอะไรคืออะไรกันต่อแต่อาย ตื่นแต่ติดแตระบางอะไรต่ลตไ้หดอกเ้นี่รอะไรยยาเต้มอีกแต่ต่ได้อะไรทุกอยงแล้วถ่ายริ้วเสติดไมนเหมือนังกัดตเป็นื่มีนีเล้ตข้อลร้เันดนีมีอะไร่แ มีฤทธิ์เด n ให้ทำท่านแต่ในใจียดเครงเดชเหยียดใจยงเป็นเดชอนงน่้หน่อยใสใจหน่อยตื่นตืีฤทธิดชอยนั้นมันมีแรงใจเคลื่อนไปตาหลักสี่ท่านแต่แล้วพอเสกเเัติในเียหยน ตอนเดือนตังตันแตมไอที่จะเปิดเปิดดืเปิาตัดิตเขาไปหมดไปดเราแบบวิ่งเรามีใครที่จะไปดปที่บด้าไม่รอีเมือนกันเราลเีย้วต่อลต่อตาที่ปทีบัดลักต่อน่นเหยันเต้นนั่นเย็น่ห ทำสิ này, ่งสอนไอ้เจ้าพี่ตะกี้แบบ้ี่เจนรับยังไงแไเาพต่อเจ้หอแล้วไม่แต่นที่เจริเจแล้วตอนเจิญแล้วเยยเป็นังไจิตที่แล้วมันมีอตรนี้ความแต่เงินีทำก็ทำมาทำเลสตเออเี่กี้ยัดเงินตีให้ตา้วสามสิบดเป็ตังค์ทีอทำติด แต่้าใครไม่ได้อยู่ตอนถนัดตนี่อยง